อ่ความหมายว่างั้นเน่ยหน้าที่ความหมายต้องหนึ่งหนึ่งในดิถีคือบริวารพยายามใหญ่คือสีอ่าอะไรแปลมาแปลมาแปลออกมาสีนี่มันเรื่องเงินอยู่ เรื่องเงินเนี่ยแล้วก็หนึเรื่องการรักกี่นี้อีกเงินที่เสียอีกโอ้ต้องเสียเงินเนี่ยจ้าว่าจะเสียเงินก็ตื่เช้าเลยเนี่ยเจ้าเอาเอานั้นๆเนก็คืออย่างนั้นแหละเอาเอาอันนี้เป็นเรื่องก่อนเอาเฉพาะหนึ่งตัวเดียวที่คือต้องการที่จะรู้คืออย่างนี้เป็น่ตเออเอย่างนี้เข้าใจพอเคสนึงเป็นบริวารเนี่ยไอตัวเนี่ยเขคือผู้นําของเขาล่ะผู้นำที่ที่เขาต้องได้นะอ่าแล้วตีไปกระทบสีที่หลักจรหลักจร หนึ่งเป็นสีอ่ะคือการได้มาสีอ่ะหนึ่งอาทิตย์เป็นสีเนี่ยเขาจะต้องหาบริวารเนี่ยจะต้องหาให้แต่ไอตัวแท็กตัวแท็กข้ามาอีกทีหนึ่งหนึ่งเป็นจารกินีเนี่ยเอต้องจ่ายไปอีกแล้วดูไหมได้มาืได้มาแม่แม่เนี่ยจะต้องเสียไปอีกแล้วเอได้มาหินหินเนี่ยไปเลยผู้นํำคนนี้เนี่ยก็คือว่าจะเกิดว่าเกี่ยวกับยังไงลูกน้องหรือผู้นําเนี่ยวันนี้เสีย สำคัญหรืออะไรตอะไรเนี่ยหรือไม่งั้นเป็นที่เป็นผู้นําเนี่ยคนนี้จะเสียเสียเรื่องการเงินจะเสียเรื่องอะไรก็แล้วแต่คนเนี้ยจะเสียเป็นเรื่องไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีจะเสียคนหนึ่งเป็นการที่วันนี้ใช่ไืมวันนี้เฉพาะวันนี้เวลาเวลา อย่าลืมเฉพาะวันนี้เวลานี้อ๋อเฉพาะเวลาใช่เวลาสิบเอนาทีที่ผ่านวิธีนี่นะสิบเอ็ดเนี่ยเพราะเวลาโอเโอเคถ้าเกิดเลื่อนหลุดลอยไป11นาทีมันก็ตกไปตัวอื่นเปลี่ยนถ้าเป็นตัวประจนี่เปเรื่องเราเสียไม่ีได้ครับแล้วก็ไดไม่ต้องรับใช่เรารู้ตัวอือืมอืมอันนี้6เราดูหกต่อไปดูหดูหกเพราะว่าเวลาเราดูเนี่ยเราจะดูที่เสากับปูมเท่านั้นเองอ่าถูกตัวไหนเป็นตัวไหนเป็นอะไรตัวอะไรหกเกี่ยวกับเรื่องอะไร เกี่ยวกับเรื่องตัณหาเรื่องเรื่องกิเลสตั้งอยู่ได้นานอีกกิเลสคืออายุของเขาปัจจุบันปัจจุบันเลยเป็นอายุเลยเป็นอายุได้ใน้6ของเขาอยู่ที่ไหนที่ที่มูลไกรหกกิเลสเก่า อ่าเก่าด้วยเพราะของเก่าเนี่ยของเก่าใช่ของเก่าเรื่องเรื่องเก่าเก่าอ่าเรื่องเก่าเก่าแล้วเนี่ยมาเด่นอีกป็นปัจจุบันเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยคือว่าจะเอาให้สำเร็จเรื่องเนี้ยจะเอาให้สําเร็จเรื่องเก่าเนี่ยจะให้สําเร็จอ่าเรื่องเรื่องอะไรอ่ะเรื่องกิเลสเรื่องตัณหาเรื่องเรื่องอะไรของเขาเดิมเนี่ยนะของเดิมของเขาเนี่ยจะต้องเอาให้สําเร็จเนี่ยแล้วเพราะมันขึ้นแล้ววันนี้วันอาทิตย์ด้วยขึ้นด้วยเขาสําเร็จด้วยเป็นวันที่ดีเพราะมันตัวเลขที่ขึ้นอ่าอ่าอืม เดทเดทของเขาเนี่ยเขาคือการการพูดการสัญญาด้วยของเขาดีอืเขาเตรียมพร้อมเขาเตรียมมาแล้วก็เตรียมมาแล้วเนี่ยจะใช้คําพูดยังไงกับเราเนี่ยเขารู้เลยเนี่ยวันนี้ยเขาจะพูดยังไงก็เราให้แน่เลยแล้วสี่เป็นอย่างนี้าหาพยายามพูดอีกพยายามพูดยาำจริงๆเนี่ยเขาเตรียมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเตรียมเขาเขาเตรียมคําพูดเขาไว้แล้วเนี่ยแล้วก็พยายามอุตสาห์ของเขาที่ ที่จอน่ะจะทําให้ไงให้สำเร็จนะเนี่ยพูดจะไงให้สำเร็จนี่ยพยายามที่จะพูดกับเราให้ได้แล้วสี่เป็นตัวอายุอีกเป็นตัวดาวพูดตัวอายุอีกเนาะว่าตกตกอายุอีกก็ต้องพูดให้ได้เพราะเพราะเป็นเป็นความสุขของเขาเอเป็นเป็นความสุขของเขาเลยเนี่ยเพราะสี่มันเป็นความสุขตกความสุขก็ตกที่สองก็มันมันมันตอนนี้เขาก็ช่างใจนะเนี่ยแต่ไม่ร้อยปร์เซ็นแต่ก็เขาที่เขาพูดไปแล้วเนี่ยจะดีไหมแต่เขาพยายามพูดให้ได้อืเนี่ย แต่เาพยายามพูดหาพยายามพูดแน่นอนพูดแล้วสีจริงๆีสองสองเป็นสีเกี่ยวกับเรื่องเงินแน่นอนเขาคิดเรื่องเงินเลยเนี่ยเขาคิดเงินแน่นอนเลยดคิดเงินแล้วก็ในยามใหญ่เป็นมนตรีเป็นมนตรีเนี่ยจะต้องมีชื่องานเงินไอ้เงินเนี่ยเวกับเงื่อทีเป็นเงิน พอได้ชื่อเสียแล้วเงินจะมาอาารเนี่ยวีการสร้างชื่อเสียงมนได้เงินเพราะมันเป็นจรแล้วก็ในเป็นเดชอีกนันแหลในยามย่อยมีอำนาจเลยเนี่ยจะเกิดได้มาเนี่ยเขาโอ้โหเพราะมันเป็นสีมนตีเดมันดีหมดเลยมันดีหมดเลยนัเนี่ยในปุ่ะเดชมนตีสีตนี้สาเร็จมันดังอ่ะเนี่ยเขาได้เงิน แต่โดนต่อตตแล้วก็ไปเจ็ดมูลาเรื่องกุ้มกุ้มของเขาหรือเรื่องที่ดินเรื่องอรเก่าเก่านเรื่องเก่าเกาของเขาเนี่ยเยอะ่เนี่ยแล้วไปตกการอีเนี่ยอะไรเนี่ยเรื่องที่ไม่ดีพฤาิกรรมเป็นไรอยากรู้วันพหัสเป็นบริวารครับที่จอนเดี๋ยวเอาทีลตัวจานเอาเจ็ดเจ็เราเป็นสีอีกเอา เเป็นสีพยายามย่อยเองเนาะเจ็ดเป็นสีก็ไอเข้ากลุ้มแบบไม่พวกอะไรอะไอที่ดินที่อยู่อาศัยอหรือหรือที่อยู่ดีแต่เกี่ยงกุ้มอยู่ไม่นีที่อยู่อาศัยมันมีปัญหาอ่าเนี่ยเนี่ยเพราะเจ็ดเป็นมูลละแต่ว่าไอเครื่องเก่าเก่าไอสีนะไอเสาเป็นสีแนวแรงว่าที่อดีแต่ว่ามีปัญหาอยู่ไม่ได้อบาลานซ์นี้นี่บาลานซ์นี้กุ้มย่ำใหญ่พร้อีอยู่ไม่ได้อ่า ลาเจ็บของเก่าๆด้วยเก่าที่เก่าต้องไปเรื่องของพระละอุตสาหะเขาเขาเป็นรหัสใจอุษารหัสอุษาหะในบิดถีความคิดของเขาเก่าๆก็ได้เรื่องอะไรเนี่ยแล้วก็ความคิดเดิมความคิดเรื่อง ความคิดเดิมความคิดเดิมอความคิดที่เป็นที่เปลี่ยนไม่ได้อืเป็นมูลราเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้อุสาห์อุสาห์เปลี่ยนไม่ได้อพยายามพยายามพยายามพยายามแล้วในยามใหญ่ก็เป็นเป็นบริวารเป็นบริวารคือต้องทําอ่ะต้องทําไอ้เรื่องนี้ออกไปเรื่องเกี่ยวกับพระค่ัเรื่องเกี่ยวกับพระเนี่ยแล้วอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบไอ้ไอ้องค์พระเนี่ยมันเป็นศะตรูกันอีกต่อไปก็เป็นมูลราอีกเป็นมูลราในยามย่อยอีกโห่เนี่ ปัญหาของเดิมทุกภายในไอ้ทุกอันนี้ทุกภายนอกของเขาทุกภายนอกไอะทุกภายนอกเเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องนอกนอกเขาเนื้อหัดกฎหมายอเกี่ยวกฎหมายก็คืเกี่ยวกับพระพระเก่าเนี่ยออืของเก่าเก่าค่าราคาสร้างเงินอยู่เรื่องเทียบไม่ลงตัวนะ่องจาเกิดมูรากที่อยู่อออืมนตีมนตรีเข้าพยายามเทียบไม่อยู่ในเหตุการณ์นียอธิบายได้ดี ขมวดตีเขาจะแสดงอำนาจด้วยเนี่ยเขาต้องการเลยนะเนี่ยกูกู3าสามนี่เร็ิชื่อสีอย่าลืมน้ำกรดไปเพราทิ้มแดงใช่มน้ำอัมคานเพาทิ้มแทงยังไงก็แล้วแต่แทงกูจะเอาให้ได้ลั้นไงไม่รอมอ่ะไงกูต้องเอาให้ได้ไม่มากูต้องเอาไม่ได้จะใช้อำนาจบาดใหญ่ดยอะไรตนี้แล้วก็เป็นอะไรอายุอีกตกเป็นอายุก็คือปัจจุบันปัจจุบันนี่นี่จองเข้มา เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไงเกิดขึ้นตล้วก็เทียบองค์พระอะไนี่ตั้งอยู่ตั้งอยู่ด้วยตั้งอยู่ตอนเนี้ยปัจจุบันทิมแทงโอ้โหทะลุทะลวงทิมเอาน้ํปิดาจะเอาให้ได้มาละเอาไงกุกย้อนแล้วอุษาหามาในยามย่อยอีกเขาพยายามเลยพยายามเต็มที่เลยเนี่ยเขาพยายามออืยังไม่จบนะพยายามเต็มที่เลยเห็นเนี่ยเขาเขาจะต้องเอาอีกให้ได้แล้วเดี๋ยวอะมาอีกนั้นอ่าวต่ออ้าตัวต่อไปแป อ่าวลาหูแต่เป็นราหูลาหูในอันนี้คือการกรกดิกนีโอโหซอนกละดิกนีมีพลพลิกลึกเด่นมีกําลังมีเด่อีกเนี่ยตกภูมิตกภูมิและตกมรณะถ้าเกิดเป็นหวยในแเด่นเนี่ยรู้ไหมเนี่ยมีอำนาจมากเลยมีอำนาจที่สุดเลยเนี่ยแสดงว่าท่านเห็นไหมเนี่ยเจ้าวาดเนี่ยใช้ใช้ราหูชนราหูเนี่ยเขาเก่งมากมันถึงมันถึงหลุดเนี่ยถ้าไม่จะถ้าราหูไม่เป็นอย่างนี้นะแกไม่หลุดนะครับ ต้องใช้เราหูชนเราหูเราที่ดูการกิูนนีมันมีอานาจมากใช่มมีเดตอีกในภูมิยามใหญ่อีกต้องใช้อารมณ์เป็นหลักไงไม่ต้องมีเหตุมีผลแล้วมตีอีกนี่ไม่ต้องมีเหตุมีผลกูไม่รู้เอาเนี้ยน้ามืดไงแล้วก็มาตรีอีกเน่หน้ามืดไอ้มันก็หน้ามึดไอ้นี่ก็หน้ามึดไงต่างคนต่างหน้ามืดกันเซ้เลยจอยกันเองผมยังงงเลยผมยังงงเลยอะไรวะผมไม่เกี่ยวไงผมต้องปวใจกันเองไงอธิบายที่อธิบายมาไงไปยังไง อ่ามื่นมื่นมาเลยมื่นมาเลยราหูแปลว่าตรงข้ามตรงข้ามตรงข้ามไปที่เขาพูดอ่าคือหมายถึงว่าเขาพูดมาจะเอาบวกลาพูเป็นลบเนี่ยจบไปเลยอย่างเงี้ยตรงข้าลาหูตองข้าถ้ามึงมาสว่างกูมืดถ้ามึงมามืดกูสว่างอย่างเงี้ยตรงข้าไปเลยจบเพราะมันราหูไม่เด็ดไงเพราะนั้นการตรงข้ามน่ะมีอำนาจเต็มที่วันเนี้ยอืถ้าจะแก้เขาเนี่ย เรื่องแล้วอ่าว่าไปกฎหมายเลยเรื่องกฎหมายอ่ะแต่แท้เขาไม่เนี่ยเราไม่จำเป็นพูดอะไรเนี่ยไม่ต้องอะไรมากก็ทำอะไรมาเนี่ยเรื่องอะไรมาขานใช่ไมตรงๆครับพูดถึงขานใช่ไหมเราอย่าพูดเกี่ยวกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ต้องพูดถึงว่าแทงกลับมึงมามีดกูไปมีดนะอบานี้มาม่าไปกับนาดอ่ะไปทําอะไรมาล่ะเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาเนาะกุ้มเขากุ้มอยู่ครับเขากุ้มอยู่ที่จริงกต้องสวนน่ะ ยังยังยงมีการส่งมาให้ใไหเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยใหเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เราดูลงหน้าได้เห็นไหมอ่าถ้านลองไล่ไมาเนี่ยอะไรมั่งเนี่ยเอาไล่ไปเทียรตัวเอาให้มันจำในสมองอ่ะนี่ตัวอะไรบริวารวาอายุเดชสีมูล่ไหมเห็นไหมอันแรกได้แก่อะไร หอันเนี้ยมาจากอะไรแถวแรกผู้นํามาจากอะไรมาจากดิถีเอาดิถีไปก่อนเป็นตัวตั้งโดยตอนแรกเนี่ยเราเขียนไปก่อนนะบริวารนยูเดศีเนี่ยไปก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วก็เอามาตั้งเรียงว่าอย่าดิถีได้แก่เลขอะไรตกอะไรไล่ไปแล้วก็ย้ำใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยได้แก่ยามของอะไรอาทิตย์ยามอาทิตย์ยามจันยามคานอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ได้แก่ยามพฤหัส เห็นไหมยัเนี่ยยาำใหญ่เป็นพฤติกรรมในเรื่องพระละเรื่องพระละนะตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยมาดูที่ย้ำย่อยย้ำย่อยไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลหรือเรื่องอะไรนี่มปนเรื่องตันหาได้แค่เลขหกใช่ไหมก็ไล่ไป6กเนี่ยหก็เป็นลายบริวารอีกล้บริวารปริวาระแปลว่าสิ่งประกอบนะไอ้สิ่งที่ประกอบให้ตัวตนนะอันนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นก็คือการทิมแทงเนี่ยไอ้เนี่ยเกิดขึ้นก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ละเรื่องของหัวหน้าเรื่องของ สมบูรณ์แต่วัดเนี่ยหัวหน้าใหญ่มันก็จะเป็นหัวหน้าเล่าจะเป็นหัวหน้าว่าือนนเถอะเรื่องของใหญ่ๆอย่งเงี้ยคิดการใหญ่นะเนี่ยมีคิดการเล็กๆกันอ่านะอแล้วอันนี้ก็คือพระการตั้งอยู่นี่คือการตั้งอยู่ของพระหรือไม่ตั้งอยู่ของพระจะโค่นจะล้มมันก็อยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือเรื่องของตัณหาการพยายามอยาสนองตัณหาเป็นย่ังไงใช่ไหมเล่าก็ต้องไล่กันอย่างนี้ดีเขาเรียกขยายความเรารู้แต่ไม่ต้องอธิบายเรารู้อยู่ในใจไม่ต้องมาอีแบบไหนกูรู้ก่อนแล้ว มึงมาเวลาเนี้ยมึงพูดยัา ง, งาไงมันต้องจบลงอย่างเงี้ยขอ้อหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยเขาเขียนจบแล้วกรคำแต่ละอันทิ่เป็นเนี่ยมันจบแล้วเราต่างหาที่เปิดทีละหน้าแต่เราไม่ยังเป็นต้องอ่านทุกหน้ากูอ่านเล่นหน้าจบเลยอไว้ก่อนนี่คืออัปปามาเทนะสัมปาเาีตาติแล้วก็พูดเสียไหมเสียน่ะเนี่ยพอถ้าเกิดเสียเพียบเนี่ย ก, กปากหวานทั้งคันรับเอาออ่ะไมเนี่ยแล้วก็สองข่าวนี่ก็พูดสตู์ปูนอีก สอใจใจแต่ว่าคู่ศัตรูก็ไม่ได้คูสมพลโดยซ้ำคู่สมพลคืออจะโกรธก็ไม่โกรธจริงมันผัวเมียเดี๋ยวก็ดีเขาอีกออืแต่ว่าจบกภาคของนี้ไปอแต่ว่าใจจริงๆก็ไม่ได้โกรธจริงหรอกแต่มันตัดปัญหาเรื่อเพรา่องหัดเราบกว่าพระหัดจานปั้นตัวคู่ผัวเมียไม่ได้เสียได้พับขันหมากมั่นเนี่ยคู่สมพลนะแต่เรื่องนี้มันเรื่องร้อนเพราะอาทิตย์กัอาทิตย์ร้อนไม่ได้อาทิตย อาล่าวิเล่ารออ่าเล่าวิไฟเล่าร้อนไฟล้ลลนลลสัสิที่วด่ดนดินดั่นถ้าไม่ต้องไปท่องพวกข้าอันนี้มมหมาสุนัลูกเนี่ยนะถ้าเกิดเปรียบเทียบไอ้อย่างเงี้ยหนึ่งกับแปดเนี่ยนี่มั น, <ห>นมันมัตว่างไอ้นี่มันดําเ<ำ>นี่วยเจ้าว่าเจอตรงตรงโดนบังนั่นเนี่ยอได้นี่เพเรื่องนี้นะยอมเขาเนี่ยนะตัวยังไม่ได้เกิดอ่ะเพราะเราหูไงครับว่ามันบังเนี่ยดําดํำ คาดอาทิตย์เลยสุริยะคาดเลยยังก็ตือเนี่ยเพราะยังไม่รู้ฉันเห็นป้ายรถก็รู้แล้ววันนั้นว่ามีเกมการดอกมา้ีหน่อยเพราะทาที่จะพูดจะโกรับะเมื่อวานเนี่ยเขดูเลขรถก็รู้ละเพราะอะไรรู้ว่าพอดูเทียบฟังเนี่ยอย่าลืมว่าเราเรารู้ว่ารถเนี่ยวิ่งตีๆอยู่แล้ววิ่งมาลับก็ไม่ได้ตีตรงออกรับเขารีเพี้ยวแต่ไม่ได้ตีแบบไม่พี้ยวตีนปลายนักส่งไม่ใช่เขตีปลายแล เหมือนกันตัวสัตว์วั์เนี่ยเาทำวิ่หาเราไม้คิดตวเราดึราปที่แล้วกดจุกาวิ่งหาคนไดเที่แกเราด้วยอี่รถเปล่าอะเพราะเลขรถเป็นบอสไม่คลดอ่ะเลขรถเนี่ยหนึ่งกับสองี่มันไม่ลาดกันอยู่แล้วสามสองจำไว้นั่นหนึ่งกับสองอยู่ด้วยกันน่ะมันเป็นกลาดว่าทิศจันยร์ตรงกันก็เป็นกลาดหนึ่งสามสองมันมันทำมาเสียไงหนึ่งสามสองไงหนึ่งสองสเสีย นี่ก็เสียนี่ก็เสียเนี่ยหก็เสียสองก็บาก็คุยฉาเนี่ยเอาชนะกัน1กับหนึ่งก็ร้อนคเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมองเห็นตั้งแต่ตอนเลับแต่ว่ามันไม่มีทางเลี่ยงนะมันจะเสียไปหมดเลยก็ฝังฟังใจก็เสียตอนปฏิบัติก็เสียคิดคิดแต่คิดดีคิดไวคิดไวเกินไปร้อนเกินไปแบบไฟกับไฟใช่ไหมอันนี้น้ากรดกับน้ำใช่ไหมมันก็ใหญ่อยู่แล้วอันนี้อะไรเนี่ย สอเหมืนการน้ำโปรดกับน้ำสองจอนเลยไม่ได้เสียสองเสียสองอ่ะก็เสียต้องต่อแต่อันนี้มันร้อนเนี่ยนั่นด่วนเนี่ยอันเนี้ยพิธีการดูพอรถมาจอดปั๊บเนี่ยเรารู้แล้วแต่ไม่มีสิทธิ์เลี่ยงเพราะมันจะเสียไปหมดแล้วเสียผู้ใหญ่ด้วยเนี่ยเพราะว่าหนึ่งมีหัวหน้านี่ก็หัวหน้านั่นก็หัวหน้าเสียงทั้งคู่ใช่ป่ะนี่นีละบางครั้งเนี่ยกรรมมะรู้อยู่แต่ไม่มีทางเลี้ยงนี่จึงบอกไง ถึงบอกวิชาเนีถึงเรียกวัดลัตันยูถ้ารู้มันรู้จริงลัตตันยูคืออะไรย้ําอีกทียามยามีทั้งหมดเชา้ากลางวันแปดกลางคืนแปดรวมกันเป็นเท่าไหร่สิบกนั่นแหละถ้านั่นรู้หมดกันคือผู้สําเร็จรัตันยูโสสําเร็จโ ส, ร, จสรถโสรถแปล ว, <16. S 1> ลวนะ่าสิบหกก็คือสิบหกยามก็จบแล้วนะีเขาเอาไปใช้ถึงขนาดตั้งเป็นแควนโบราณนะใช้มีปกครองแคว้นมีทั้งหมดสิบหกแควนในกาีโกศลน่นนะ อ๋ออีกอะแล้วเสร็จแล้วเอาปฏิจจสมุปบาทไปใช้ในการปกครองเรียกว่าแวงนักสัตว์ใดอดีต12เจ้าไทย อ, อ, อยู่ในสมัยพระเจ้าไทยดีไปอ่านหนังสือก็มีนั่นที่ได้รู้ว่ามาไงไปไงแล้วเสร็จแล้วเข้าไปสู่ปฏิจจสมุปปบาทไปสู่โคตรชงเกศมันไล่เป็นชั้นๆไปครั บ, รบอธิเดเราเรียนเพื่อใจรับตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจยากสร้างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็กลายเป็นอะไรก็กลายไปเป็นอ่าโรชง โชชงเจ็ดจากโคชงเจ็ดไล่ออกไปเป็นปฏิจาสมุรปรบาทจากปิติจาสมุรปปาฏิสิบสแค่นั้นอะ่ะแต่ของเราเรียนสูงกว่านั้นเราเรียนด้ปัศนาภูมิพีปัสศนาภูมิมีทั้งหมดยี่บบะแล้วก็เรียนอัธรัสธาตุสิบแปใช่ไหมเล่าอัธรัสธาตุสิบแปดเนี่ยไอเจที่เราเป็นแถวหนักโคชงเจ็ดก็มาจากอะไรก็มาจากวิถีจิตวิถีจิต ท, ทั้งหมดที่มี7หลักเนี่ยแต่วิถีจิตที่เราเรียนน่ย เสานี่ย น, นะคือวิถีจิตมันนึมีจริตมีอะไรที่เราจะรับตามการทํางานของมหมาภูตริรูที่กระตุ้นเตือนเวลาเราก็จะเจาะเขาไมได้ถึงสันดานเขาให้คนที่มาหาเราดครับว่ามาสันดานยังไงก็อ่านโดยจริตลองอ่านจริตดิเอา้าเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยที่โทรมาเนี่ยดูจริตสันดานมันนี้เอาเป็นยังไงเนี่ยการดูสันดานฝ่ายตรงก้ามก็ดูปริวารละไนยปริวา ร, วาราคือปริวา น, นใช่ไหมล่ะบริวานเวลาที่โทร ไม่ใ่หอันนี้คือคนที่มากระทบเราน่ะแต่อันอันในตัวดิฉีเนี่ยคือตัวเจ้าของเรือเจ้าของตัวเราอันนี้อันนี้คือเหตุการณ์ที่เรากําลังจะได้รับอันนี้คือคนที่ส่งผลมาให้เราคือไอ้คนที่เดินเข้ามาหาแต่แก้เราแก้ในตัวกลางนี่ตัวนี้ตัวเชื่อกแม้แต่โทรศัพท์อ่ะอันเรานม่ใช่เรานี่คือโทรศัพท์แต่ไอ้ที่ตัวเลขเนี่ยคือตัวนี้ตัวยามใหญ่เนี่ยตัวเลข ถ้าไม่กดแล้วก็ไม่เกิดอื <S <S แต่จะเกิดเนี่ยนนี้คือเดวเกิดแล้วกดกดปุ่มมือตัวนี้แล้วขึ้นเงเป็นยำย่อยนั่นคือเรากดปุ่มแต่ถ้าไม่กดปุ่มคือตัวนี้เพราะเรานแก้นั่นแก้ที่ยาำใหญ่เปลี่ยนเป็นตรงยำใหญ่ถ้าดูบริวารมาดูบริวารที่ไหนน่นดูจุดติดเขาอะไรนะบริวารดูที่ยำย่อยยำย่อยเขาคือเสานั่นแหละอา้าจะดูขนานเ้าดูที่เสาดูเรื่องที่จะเกิดนะ่ะเกิดอะไรวนะเนี่ยไปดูที่เสาแต่จะเกิดขึ้นอะไรกับกูว่าวันนี้เนี่ยดูตัวนี้ เอาซะตัวหนึ่ง ว, ว่าตัวเราเนี่ยบริวารอายุเดชสีเนี่ยไอตัวดิถีเนี่ยมันไปตกอะไรในตัวยาำย่อยก็จะรู้แล้วว่าผลที่จะเกิดขึ้นกับเราคืออะไรจะแก้ก็เอาตัวนี้มาแก้เอาตัวยาำใหญ่นี่มาแก่เปลี่ยนนะเท่านั้นเองมันไม่สามชัว่วมี่นี่คือการตั้งอยู่นี่คือบทสรุปแต่เราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเอาต้องตั้งอยู่เนี่ยกูไม่ตั้งไม่อย่างอ่ะก็จบอีกครับเข้าใจก็ดับไป อันเนี้ยที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนเราบางทีเรียกจักรสาม ช, ชั้นเนจริงคือไตรักลักษณะ ข, ของไตรับวางสามชั้นอย่างจุกตีนี่มันมากกว่าสามนะส่ะอ่ะเป็นในลักษณะของดิเอสร์สรที่เราวางสามสี่ฐานอ่ะยังแบ่งออกเป็นอะไรคุณรวมเรียนแล้วนี่แบ่งออกเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตใช่ไหมออแกนิกกับอินออแกนิกอ่ะเขาจะต่างหากอีกหน้าไปเข้าปฏิจจสมุปบาทเป็นหน้าขบบาทใช่ไห วางเวลาวางปฏิเสสมุบาตินี่คนละเรื่องเลยถึงบอกมันมีแต่เล่าเท่านั้นในโลกยุคปัจจุบันนี่จะทำได้ไม่มีใครทําได้ตึกกับคนเนี่ยสร้างพร้อมกันเนี่ยถามเอาดวงตึกไปดูเหมือนคนไหมล่ะมันจะเจริญเป็นนายกได้ไหมล่ะสิ่งมีชีวิตกับไม่มีสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตขอระยะนะครับเพราะฉะนั้นการวางเลิกวางอะไรันคนละเรื่องเลิกคนก็เลิกตึกคนละอันถึงบอกไงนั่งขำกันเฉยเฉยปล่อยแม่งไปใครอยากทำช้างไม้เก่งเนี่ยนิ่งเนี่ย ก็เหมือนก็เอารวงหมาไม่ให้คนดูอ่ะจะรู้ได้ไงวะแต่ของเรารู้เพราะมึงเดินเข้ามากูรู้ตั้งแต่มึงยังไม่มาแล้วรู้ตั้งแต่ยังไม่มาคุยกันน้ำไว้ก่อนแล้วอารมณ์เรียบร้อยไปแล้วใช่หรือเ่าละ่ะปลุกอารมณ์ไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกับปลุกระดมไปแล้วมึงมาเข้าล็อกกูเสียพอดีเลยไงเนี่ยถอดมีดรออย่างนี้เลยมึงวิ่งมาเองกูไม่ได้แทงวิ่งเข้ามาเสียบเลยนั่นน่ะท่านพอใจกันอารมณ์ขึ้นนั่นน่ะถึงเกิดอย่างนั้น ถ้าอารมณ์ไม่ขึ้นโทรมาเฉยแล้วเรามาวิจารณ์ทีหลังไม่เป็นงั้นห่ะจริงหรือปล่าละ่ะนั่นแหะไม่มีอะไรบังเอิญแต่ตอนนี้ถ้าท่านทําเป็นเนี่ยตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยกระสิงครับนั่งึ้งอ่าเออวันนี้เป็นอย่านั่นแหละก็นอับกมันอยา่าทําไปด้เลยรู้เองมันมีอยู่แล้วในนี้ยแ้ฉลกเข้าใจนะวิธีการแก้ไขต้องแก้ด้วยธาตุนะเอ า, าธาตุที่เป็นศัตรูกันนะ มาแก้กันถ้าจะสนับสนุนในสิ่งนั้นต้องมาทา่าเดียวกันหรือทา่าที่เป็นมิตรต่อกันมาสนับสนุนกันมันจริงจะขึ้นตแต่ถ้าจ ะ, จ ะ, จะทําลายไอ้สิ่งนั้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีละ่ะมันก็จะเป็นลักษณะงานนี้โค้นทนเนรศวนเนี่ยฉันเอาไว้เนี่ยนี่คือการเดินทัพโค้นเรศวรจะมีเวลาบอกไว้คลิปบอกไวชัดเจนอั น, นของพระเนเรศวรนะ่ะอยู่ในพิจารณ์ทุกคามโค้นเรศ่วนอันท่านใช้ไอ้คนป่าใจพบเนี่ยยกเฉพาะภูมิกลางออกไปปะเลย ท่านต้งเรียนประมาณทุดสามนะเทียง น, นิดทีละนิดเรียนแบบยุคนั้นไม่ได้หรอกเลอะผมทดสอบมาแล้วเลอะฮะเพราะนเต้องเรียนเป็นหน่วยกิจหนกิจไปคล้ายๆหน่วยกิจเ น, นี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็มีหมด้นะเนี่ยไม่ใช่ไม่มีให้เนี่ยก็มีอยู่เนี่ยเยอะแยะก็ทำไม่ให้หมดบอกไว้เลยซ้ำว่าทํายังไงเดี๋ยวนี้ขนัวก็ไม่เป็นแล้วเนี่ยอย่างเงี้ก็มีหมดนะเนี่ยแม้นะใ น, นเล่มก็มีแตาไม่ไม่มีมม อืออืออ่านยัไม่ถึงมีอหมดแหละแล้วรู้ไหมกว่าจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยท่านธนศักริ์ทำเป็นง่ายๆนะแต่ก่อนต้องคำนวณเองหมดเอาเอกมาหักจิตเอาเอกโสพณเศตสิกมาคูณมาบวกถึงจะเป็นอย่างนี้ออกมาเดี๋ยวนี้ก็รู้เลขหนึ่งเลขสอมาจากไหนแยกค่าต่อเป็นส่วนส่วนส่วนในนี้จะรู้วิถีจิตขณะนี้เดินที่ไหนคุณทําแล้วเห็นผีเห็นสางเห็นผู้หญิงมาแก้ผ้าเงี้ย นางเราจะไปเห็นเราไม่ไปเอาละหาันแต่คำนวณได้เราเป็นอะไรนี่กลุมคนปฏิบัติได้ยังไงก็ใช้อย่างนี้แหละแล้วรู้ได้เด็กคนเนี้มาเนี่ยจะสอนแบบไหนมันมาจะลิบไหนแล้วก็ใช่หลิบนั้นไม่ใช่คนนี้ชอบอ่าสวยงามไม่ใช่ไ่ชอบตลอดเนี่ยมันอาจจะไม่ชอบก็ได้ใช่ปะ่ะมันเปลี่ยนได้อ่ะเคเอา้าวถามกันไปเรื่องอื่นจบวันนี้เข้าใจนะนี่เรื่องจะสดๆแค่ขึ้นมานี่ ขึ้นเลขหนึ่งมาหน้าแรกก็รู้เลย <laughs> จบแล้วเรื่องของไอ้ตำบาน <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สามารถจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องทาทุกวันนะแลวต้องดูตัวเองไม่ใช่ดูคนอื่นไอ้คนอื่นมาเขาถึงบอกว่าปาริวาระไงเขาเรสภาวะแวดลอ้อมไอ้ตัวเราอ่ะต้องรู้ก่อนไม่งั้นก็อับประมาณทีนะสิแล้วอย่างเรานี่ดูดูห้าเนาะ ไม่ใช่เไม่เกี่ยวดูตัวเราเนี่ยไม่เกี่ยวมื้หนึ่งอย่างเดียวไม่เกี่ยวเราต้องดูความหน้าที่ความหมายให้ได้ก่อนหน้าที่และความหมายของดาวอ่ะเอายมเทียบมาอธิบายหน้าที่ความหมายของดาวกันหน่อยนี่มันไม่รู้ไอ้ท่านไม่รู้เรื่องเลยเลยหน้าที่ความหมายอ่ะเลขหนึ่งได้แก่อะไรลองขยายความที่นั่นนะก็าในนี้เขามีบอกหนึ่งิดบอกมันก็ไม่รู้เรื่องอ่านแล้วไม่รู้เรื่องมือตื้อปีก 1 น, นก็คืออาทิตย์นี่ยที่ว่ายหนึ่งก็คืออาทิตย์ก็วาไปด้ยเกี่ยวกับธาตุถ้าเกิดธาตุแต่ธาตุอะไรธาตุไฟสีเกี่ยวกับสีแดงแเราจะต้องรู้เลยสีแดงแล้วสองสองเกี่ยวกับจันสองสองเกี่ยวเขาหนุใส่ผ้าสีแดงมาเนี่ยผู้หญิงนะ่ยใส่เสื้อแดงมาเนี่ยผู้หญิงเลขอะไรเลข2อแล้วใส่เสื้อสีแดงได้เลขอะไรห1แล้วสองกับหนึ่งเป็นอะไรขาดว่าจบแล้วเนี่ยแค่นี้ก็ง่ายๆแล้ว แค่นี้ก็สองดาวแล้วไม่อ่ผู้หญิงมาเห็นผู้หญิงแม่งเลกสองอย่างเดียวจรแงเวหลงการทานมาไม่ดีมันก็เป็นการทานเ็หนึ่งสามเจ็ดนคอู่ธาตุเนี่ยู่ธาตุถ้าเปรียบเทียบผู้ธาตุที่เฉยก็ไปกับธาตุไปกับน้ากดมาอย่างเราเนี่ยาอะไรเาตั้งเรือไว้ก่อนอย่างเราก็รไปใช่เุไฟไฟสมแกบ ไฟสมแก่เยเอื่อยเรื่อยๆสมมไปแต่อะไรมาเกิดมามัน้ําเนี้ำยะมันไม่เป็นตะกไงถ้าเกิดโผมาโอกมาก็พัดก็คือตุ้มๆึกิเลสไฟติดเลยนะไฟก็ลงไงลงกันพัดกินเราออกใช่ไหมาแล้วเป็นไงวกาว่าว่าเนี่ยก็ลุกบึกเลยแต่ไม่ลง เนี่ย เ, เราก็รู้อย่าเงาหูหมาจิงชัดอ่เพราะมันเป็นลมอายุลมแรงเปนไฟป่าเลยโคตรรุนแรงทีเดียวครับเหลมอายุไงต้องเปลียนพูดธาตุธาตุปุบเนี่ถ้าคุยเรื่องธาตุไฟน้ําน้ํากดหรือน้ํามันเราก็เราต้องไล่เลยเป็นดินเหนียวดินเหนียวดินเหนียวปั้นได้แล้วก็ไฟสมแก่ไฟสมแกบลมลมเอื่อยๆหรือลมธรรมดาที่พัดแล้วก็เจ็ดคือคือดิน หือเจ็ดินไม่เคลื่อนที่ไม่เคลื่อนย้ายหรือภูเขาแล้วก็แปดคือพายุลมพายุแล้วถ้าเกิดเป็นสีสีแดงสีขาวสีแสดนะสีส้มสีส้มสีส้มสีส้มแล้วสีเขียวสีเขียวแล้วสีเหลืองสีสีฟ้าสีฟ้าแล้วก็สีน้ําเงินแล้วก็สีดําแล้วต้องไล่อย่างนี้ให้ได้ตัวนี้เราต้องท่องให้ได้นะเนี่ยต้องท่องให้ได้แล้วต้องให้รู้ถ้าเกิดบ่อยไม่ต้องท่องก็ได้อันนี้เป็นตราสารที่ตรงนี้สีดําอยู่ตรงไหน สีดําอยู่ทางทิศตะวันออกเฉ<ไ>ียงเหนื อ, อ่รู้เลยอะสีดําอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือคือแปดคือแปดแล้วก็สีขาวอยู่ทางทิศไหนอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เราต้องรู้เพราะว่าถ้าเกิดมีคนมาถามเรื่องของหายอยู่ทางไหนหรืออะไรอยู่ตรงไหนเราต้องบอกได้แล้วมันจะบังคับยักน้ำเข้าไปอีกยักน้ำยักน้ำสองคือมีเลขอะไรอยู่แถวไหนอยู่ทิศไหนสีอะไรสีขาว เราแค่เห็นสองตัวเดียวปุ๊บเราต้องบอกได้ว่าอยู่ทิศไหนอยู่ตรงไหนตรงไหนสีอะไรคือว่าเรามาขยานี้เลยว่าดูตามนี้เท่านั้นเองนั่นแหลมันมาขับกันอยู่แล้วถ้าเรื่องเงินก็ดูสองเลยอยู่ทิศนี้สีนี้อ่าบริเวณทิศตะวันตกเชียงใต้อ่านั่นแหละและอย่างนี้เลยเราก็ไปดูยักษ์น้ําว่ามันมันตัวอักษรอะไรอาการบอกผมอ่านั่นแหะยากตรนั้นไปใส่ว่าอยู่อะไรอยู่หน้าเลขนี้เอตัวอักษรนี้ทิศตะวันตก เสียงใต้น่ะมีอะไรนํำหน้าบ้างมันจะไม่ไม่่ไมมีตัวละมันมีอะไรนําหน้าบั่งเราก็จะเห็นออตอนนี้มาถามหนอ่อยอย่าจะพูดพูดเหมืกันตรงนี้ก็ดีแล้วถามว่าของหายค้าจะหาได้เนี่ยดูยังไงว้าคจะหาได้เอาไปแล้วก็เดี๋ยวถึงพูดถึงหาไม่ได้ถ้าของจะหาได้ของหายเนี่ยแล้วจะหาได้เนี่ยเคลื่อดูติดต่ำดูสามตัวบน อยู่สามตัวบนเงินหายเงินหายดาวจันทร์อยู่วาหายดก็ไดูาหมายดาวะดาวจันทร์ดาวจันทร์าเขาบอกเงินหายดาวจันทร์เงินหายสองสองหายสองหายแต่มันไปอยู่ดสิตตังได้ได้คืนได้คืนอยู่ที่ไหนได้่อยู่ที่ไหนที่ไหนอคุณเรยก็ดูที่ตะวันตกถึงใต้ที่ตะวันตกถึงใต้สีอะไรสีขาว แถวแถวสีขาวได้ยักน้ําชื่ออะไรไล่ไปจากนั้นะแต่ถ้าเกิดต่ําลงมาจากนั้นน่ะจะไม่ได้ก็คือสามตัวบนได้ได้ได้ท่านลงมาแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้ตกพาวแค่นั้นได้ไหมไม่ได้ได้แค่นั้นเองไม่ไอะไรทําไมถามต่อกระปอกแค่นั้นแหละพอมันอยู่ตรงไหนล่ะก็ได้ก็ถามอยู่แถวไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงอารู้ไหมกระหม่อมมันใช้อะไรอยู่ทั้งบนนี่อยู่ทั้างรู้แค่ ทั้งบนะท้งล่างรอว่าอยู่ข้างบนมอง่มองทั้งบนังบนนั่นะฮะแสองมันอยู่ดีดีดังแค่อยู่ข้างบนแ้าสองอยู่ดีดดังแปลว่าของนี้อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนถ้า2อยู่เอวังเอวังก็อยู่กลางกลางอยู่อยู่ในระดับสายตาสายตาออ้วยแถสายตาหรือยอยู่พื้นอยู่มถ้าเจอก็อยู่ระดับตามตามนั้นออนี้แล้วแต่ถ้ามันลงมาอยู่ไอ พยายามในจบข่าแล้วเสียเวลารู้ว่าคนขโมยอยไหนไม่เจอเลยใช่เขาขายแล้วจบข่าวยังไงก็หาไม่ได้ตอนนี้ซักยังไม่เคลื่อนแต่ซับเคลื่อนร้องเข้าไปซ่อนไว้ครับร้องมาไปขายแล้วว่ามาคุณตัดใส่ก็จะเอ้ามามาสิมันจะเคลื่อนไปทางทิศไหนพอยูยังไง ไว้กคนรอไม่เอาไหวไ้นเอาไได้เย็จนแล้วนี่เราพีแต่รวยไม่จนอ่าเอารวยสิทไงูอ๋อไวชาเมื่อกี้ว่าอะไรอ่ะสอง่าดาวจันเอาดาวจันอ่สองนะชาสาวจันกับสาอะไรชากันอ่าัาว เสากับจันอะไรเจ้ากันเสาอะไรชาสองอะไรสากัจันเนี่ยรล้ว่าสากับจันเนี่ย เ, เทียบเรว่าความไหนเร็วเจ้ากันดาวเสาช้าดาวจันวัยไวเพราะน้ำมันไหลเลยดินมันอยู่เฉยอ่ะ อ, อังคารกับจันอันไหนวัยกันอังคารวัยกวจันรู้ได้ไงเพราะมันทะลุทะลวงที่แพงอันนี้ดาวเสากับดาวพุธอันไหนวัยกัน ดาวเสาก็ดาวพุทิสิไหวไหวเลยก็มนเหลวอ่ะปั้นได้นี่อมอ๋อเอาเอธิบรายรูอย่างงี้แต่ใช่ก็ก็ความช้าความเร็วไงเอือยไอลักษณะอ่ะเอื่อยเฉยอย่างก็เจ็ดเนี่ยมันจะเอื่อยเฉยไอเจ็ดนี่ยังไงอ่าเจดเจ็ดเนี่ยคือว่ามันมันแบบว่าดาวเสาอยู่ที่ไหนยังไงไม่ดูเลขนะดูเลขแล้วความเอื่อยความช้าอย่างเงี้ย เชื่อดูตรงไหนที่มันเอื่อยช้าเคลื่อนไปช้าเนี่ยดูที่ดาวอื่นอ่านดาวเสาเนี่ยมันก็อื่นอานเี่งช้าเสื่องซึมมันไม่ใช่อยู่ตรงไหนดูดูกระทบกันไงสมมติว่าดาวจันใช่ไหมเพราะมันเป็นคู่มิตรไลดาวเสาใช่อะไรนะอะไรด้วยไงเอาอะไรยังไงอ่ะอธิาจะชัดเลยยังงงอยู่ ถ้าดูเปรียบเทียบตรงนี้ก็ดูดูตรงอรหันต์ใช่อาจารย์อรหันต์กับมนุษย์ยังดูผู้ท้าทันเขาบอกแรกแต่ต้นมาว่าเราเริมจากที่ดีที่ีกว่าหลังก็ไปย้ำใหญ่ย้ำใหญ่ย้ำย่อยไอ้ที่พูดแค่นี้พูดยาำย่อยกันสสาวอย่างเดียวแล้วมาพูดย้ำใหม่เพราทไมไม่พูดเรียบร้หมดเล้อดูย้ำใหญ่เขาพูดถึงจออยู่ไม่เเลยอ๋อดูที่จอหลักจอนแทกนะหลักจอนแท อ่ะสมมุติอ่ะสมมุติเลยนะอะดาวจันอยู่ที่สีสีของอะไรนะสีขอยามใหญ่ยามย่อยสีของยันใหญ่เพราะว่าเราพูดถึงยานย้อยไปแล้วเพราว่ายามย่อยเนี่ยมันขึ้นดูเป็ตา่างเป็นบริวารเสเสเสของยามใหญ่สียามใหญ่เป็นเป็นจรก็ได้ยอมรับรับถือได้เงินไวได้เงินอ่าไวไหมได้แต่ได้อ่ะได้เนี่ยไวไม่ไวอยู่ที่อยูที่ดาว ชาธาตของดาวทีม้าบุตรลูกไป็นตัวบอกเข้าไวายหรือชาก็พูดไปแล้วไงสาวกับพุดธิ์อย่อะไรเนี่แหละคุณไม่รู้จักธาตุนะผมก็ทุกรุ่นนะจะบอกหลักจนแทกเนี่ยหนึ่งสองสามอ่ะแล้วไอ้คือว่าภูมิเ่ยมันก็เอามาจากภูมิภูมิแปลว่าเอที่ตั้งครับแล้วก็เขาแปลว่าตําแหน่งหลักจรแทกหนึ่ง เสาได้ไปตำแหน่งนะเสาเป็นรถตำแหน่งขุ่ต่ำแต่ว่ามันขุ่นต่ำตรงไหนนั่นแหละกระพุ่ครับนั้นเอาการตั้งอยู่ฐานตั้งอยู่ก็จะอยู่ไม่อยู่เนี่ยไปดูดูตรงไหนก็เนี่ยดูดูก็ดูที่ฐานสองฐานจรดูดูฐานจรดอสองเป็นสีก็ใช่ก็ดูก็ดูไปดูที่สีดูที่จรก็ดูดูที่ฐานจรอย่างเดียว ฐานจรทั้งแถวฐานจรทั้งแถวก็ดูตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเี่ยดูฐานจรนะสองเป็นสีอ่ะไม่เนี่ยเออใช่ฐานเนี่ยสองต้องเป็นสีใช่ไหมแล้วดูปัจจุบันนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ในตอนเนี้ยอถ้าสองเป็นสีโอเคได้ออเขาถามว่าของยังอยู่ไหมก็ดูที่ตั้งอยู่มันอยู่ไหมมันหายหรือยังดับไปเพราะมนกนชัดชอยู่เลยตั้งอยู่ดับไปถ้าถ้าจะสอง ดับไปเขาบอกว่าดับไปมันือหายไหมเป็นอย่างนี้ไม้ตั้งอยู่ดับไปมรณะเนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่เนี่ยแบ่งส่วนเนี่ยเนี่ยได้จะอยู่ที่ต่ําที่ต่ําแล้วมาดูสองเปรียบเทียบสองเนี่ยบริวารปุ๊บปุดูที่จรดูที่จรดูดูที่จรสีไว้ดับตอนแรกว่าอะไรหายอันคือดีศีวัน ดีดีีดีอัไนขึ้นแรงไหมอะไรหายอยู่ที่ไหนหายหรือเปล่าสามชวงหายหรือเปล่านี่คือสาวหายหรือเปล่ากฝังนี่ฝังเนี่ยอะไรนี่อยู่ที่ไหนของนั้นอยู่ที่ไหนไอ้อยู่ที่ไหนไม่ใช่หายทึ้งว่าหายที่ไม่หายนะของนั้นมันอยู่ที่ไหนไอ้อยู่นั่นนามันอาจจะอยู่แล้วหายไปแล้วนะายไู ่ะล่ะเพราะฉะนั้นนีตรงนี้มันเป็นคือเราดูเนี่ยในตอนที่เราเรียนที่ด้านเรียนเนี่ยเาเรียกว่าใจรับพอจากใจรับก็ขึ้นมาเป็นโพตรจงจากใจรับก็จะเป็นโคจงจากโพตรจงไปเป็นสิบจากสุขภาะเนี่ยโคตสองนจะเรียนโพตจงโคตจงนจะมีเตาวิตาวิีจิตจิตจะมีวิถี็ครับอนครับจะพูดในฟังไม่เนหนท่นมหาเราคูบัญาโทษไม่ได้ ก็ไม่ให่จังวะโยมาผู้หญิงคนนั้นไม่นะดูที่หน้าจะถามอะไรอย่าง้ให้ลึกมากนักจะทาอะไรจะมาถามจะกัดตาแล้วราพี่ชายเฉยๆโอ้ยไปให้นู่นเขาลอยอู่โอ้โหลุ่งนั้นมันพะไม่ใช่คือโยมาผู้หญิงเ่ยผมไม่ยาวให้คนนั้นตอนเพลนนะบอกเขาด้วยนะ มีเขามาแล้วผู้หญิงก็นะมาทั้งหมดพี่น้องเขาทุกคนอาดยตา้อยู่ที่อยู่ในพานนะ้วยตาม้ด้วยเอไอลอยอัยมอยู่ในไมครับเดี๋ยวผมบอกเขาไงเดี๋ยวผมตรงเดี๋ยวนีอยู่ในพานในห้องท่านนะครับอยู่ในพานตรงเบนโต๊ะโต๊ะแก้วอ่ะครับในพานพานสีทองทองอ่ะแต่ทุงมติอยู่ครับเป็นรากไม้อ๋อ